สามสิบเอ็ดเราเชื่อแต่จิตเราไม่ยอมเชื่อวงเล็บเปิดยี่สิบสองธันวาคม2549ห้าอสี่บจุดจุดนาทีห้าวงเล็บปิดการที่เรารู้อยู่แล้วว่าสังขาร น, นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่เรายังยึดติดกับมันอยู่เพราะเราไม่เห็นจริงเราเห็นกับจิตเห็นเนี่ยคนละอันกันเราเห็นด้วยเหตุด้วยผลแต่จิตเราไม่ยอมเชื่อจิตเรามี b บแอสในวงเล็บ อ, อคติมันรักตัวเองอย่างรุนแรง ฉะนั้นระหว่างเราเชื่อกับจิตเชื่อเนี่ยไม่เหมือนกันทุกวันนี้ที่เราภาวนากันถ้าเป็นแทบตายคอยรู้กายคอยรู้ใจให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อให้จิตมันยอมรับความจริงมันจะต้องเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงวันหนึ่งมันถึงจะยอมจำนนกับข้อเท็จจริงจิตมันดือ้อเราไม่ค่อยดื้อนะเราเจอความทุกข์เราก็รู้สึกว่าความทุกข์มันไม่ดีนะเราอยากนิพพานแต่จิตไม่อยากนะจิตอยากอยู่กับโลก ฉะนั้นจิตกับเรามันคนละตัวกัน